และระงับไม่ดีคือ 1. ไม่โจดก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่11ภิกษุทั้งหลาย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 อธรรมกรรมทวาธทศกัในปฏิสารณียกรรมจบ